บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะที่เรียกว่ากรรมฐานนั้นในระดับบาลีที่เป็นพระพุทธวจนะจริงๆทร ง, งใช้คำว่าสมถะและวิปัสสนา คมว่าสมถานั้นคือการทำใจให้สงบวิปัสนาเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราตามความเป็นจริงของสิ่งดอกนั้นซึ่งเป็นการแสดงเหตุได้ว่าโดยหลักของการปฏิบัติ กรรมาฐานแล้วไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอาศัยรูปแบบมากเกินไปเพียงแต่อาศัยจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติมีพื้นฐานธรรมะได้ แ, แก่สติสัมปชัญญะความเพียรในลักษณะที่ต่อเนื่องคือสามารถระลึกรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ในส่วนของสมถกรรมฐานนั้นมุ่งสงบจิตจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบหมายความความสงบนั้นเป็นเป้าหมายในการดํารงชีวิตของบุคคลถ้าจะถามว่าคนเราต้องการอะไรก็ตอบได้ว่าต้องการความสุขจะถามว่าความสุขเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากความสงบ เความสุขหรือความสงบจึงเป็นเป้าหมายของการดํารงชีวิตสําหรับบุคคลและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แต่เนื่องจากสภาพจิตประการหนึ่งกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่ประการหนึ่งอต่เนตนําความไม่สงบมีประการต่างๆให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่บุคคลก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยประการทั้งปวง แม้จะหลีกเลี่ยงจากอารมณ์ที่เป็นภายนอกไปได้แต่เอาควจริงแล้วภายในใจก็เก็บสะสมเรื่องต่างๆไว้เป็นอันมากอาจจะก่อให้เกิดความบาดรวดุดุ้งเกิดเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจความรักและความสั่งในอารมณ์ดอกนั้นบางครั้งแม้ไปบาเพ็ญเพียรอยู่ในป่าแล้วก็ตามอันที่จริงในขณะนั้นภาพข้างนอก ไม่มีลักษณะกระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความยินดีและความยินร้ายมากหนักเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสัตว์ที่จริงเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อความส ง, งบโดยสร้างไปแต่ถ้าากว่าจิตใจของบุคคลล่านั้นมีการเก็บการสะสมอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความส ง, งบไวเป็นนันมาก ก็จะเกิดการเหนียวนึกจึกนึกย้อนนึกถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วโดยอํนานาจความรักและความชังจิตใจของบุคคลก็จะสูญเสียความสงบไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นประวัติชีวิตของบุคคลที่ลงมือประพฤติปฏิบัติ ท, ทางความสงบไปเกิดขึ้นกับจิตใจที่ทั้งเข้าไปอยู่ในป่าเป็นเวลานานๆแล้วก็จริงความสงบ ก, ก็ไม่เกิดขึ้น บางท่านอาจจะอยู่เป็นเก้าปียี่สปีส0สิปีจนถึงแก่เท่าชราไปปัญหาข้างนอกมีไม่มากแต่ปัญหาข้างในมีมากเพราะข้อที่ควรสังเกตไว้ประการหนึ่งไม่ต้องมองย้อนอดีตให้ไกลมองในชีวิตแต่ละวันของเราจากช่วงตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงตอนเย็นราะเห็นว่าในแต่ละวันนั้น เรากระทบกับอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราดีบ้างไม่ดีบ้างรังๆป้างอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่ผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งถูกเก็บไว้ด้วยอาบความชอบและความชังต่ออารมณ์เหล่านั้นที่จริงถ้าพูดถึงสิ่งที่เราเห็นในขณะหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้วในขณะนั้นแต่ใจก็ไปเก็บสะสมเอาไว้ กลายเป็นมนทินใจเป็นสนิมใจหรือเรียกลมรวมว่าเป็นอาสวะคือสิ่งที่หมักห ม, มมอยู่ภายในใจแล้วพอตกตอนเย็นถ้าหากว่าเก็บเรื่องเหล่านั้นไปมากตอนกลางคืนก็จะนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายปะใจเกิดปเป็นเหนียวนึกตรึกนึกถึงเรื่องตั้งแต่เช้าไปตุดมาแต่ชีวิตเราจริงๆไม่ใช่เก็บไ้ขนาดนั้น เรเก็บไว้เป็นหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีที่จริงแล้วหลายๆลายชาติก็กลายเป็นอาสวะที่สะสมหมักผมอยู่มากมายได้เกิดบางเรื่องก็ก่อให้เกิดความรักบางเรื่องก็ก่อให้เกิดความช่งบางเรื่องก็เกิดก่อให้เกิดความเครือดแคลงสงสัยไม่แน่ใจที่อังเป็นอาการของความหลงซึ่งสามารถจะดูจิตใจของเราเองได้ บางขณะที่เราย้อนระลึกไปถึงเรื่องอดีตนั้นจะระลึกถึงด้วยความรักความจังและความไม่แน่ใจและความเคลือบแคลงสงสัยตลอดถึงไม่รู้ไปเลยล่านี้ก็แสดงว่าในขณะนั้นจิตใจก็ถูกปรุงด้วยกิเลสประเภทต่างๆที่สรุปรวมเป็นเรื่อง โ, โรคปวดตรง เราเฉพาะฝ่ายที่เป็นบาปเป็นอกุศลคือเป็นเครื่องที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสงบดังกล่าวไว้ในตอนตอน้น ป, ปัญหาในการปฏิบัติจึงมีอยู่สองช่วงใหญ่ๆช่วงแรกก็คือพื้นฐานภายในใจของบุคคลว่าได้เก็บสะสมความรู้สึกประเภทกิเลสไว้มากหรือไม่ หากว่าเก็บไปมากก็ต้องพยายามวิเคราะห์ตรวจสอบจิตใจของตัวเองให้พบความจริงเหล่านี้และย้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมคือความผิดพลาดบกพร่องการถูกตำหนิตีเตียนการเสื่อมลาบเป็นต้นที่เกิดขึ้นในอนดีตนั้นสืบสาวไปดูถึงต้นเหตุว่าทาไมจึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น แต่เฉพาะความจริงว่าเกิดขึ้นจากการลุกอำนาจแก่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วก็ทำออกไปพูดออกไปด้วยอำนาจความรักความสัางรุนแรงบ้า ง, งกลางๆบ้างหรือพอประมาณบ้างแต่มีผลกระทบในรูปของการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็ประสบความแตกแยกการสูญเสียการทำลายมิตรการถูกตำหนิตีเจียน ในความมีตกักังวลเดือดร้อนต่างๆแล้วนี้เป็นผลที่บุคคลไม่ต้องการเพราะเกิดขึ้นแล้วแผดเผาเสียดแทงจิตใจและร่างกายมีประการต่างๆบุคคลก็ต้องมองหเห็นโทษของเหตุที่ให้เกิดอารมณ์เชนั้นขึ้นมาเพราะจริงความทุกข์ความเดือดร้อนความเสื่อมราบเสื่อมยศเป็นต้นนั้นเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งไว้ผิดซึ่งบางครั้งบางคราวจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองได้นําตัวเองเข้าไปสู่บ่วงเข้าไปสู่หลุมบ่อที่พรเจ้าทรงอุปมาสัตว์ที่ติดบ่วงติดแล้ว ต, ลติดหลุมติดขฝากตามต่างๆหรือเราพูดเป็นสำนวนไทยว่าแมาลงเม่าที่บินข้าวกองไฟ เรานั้นเป็นอาการของจิตที่มีความลงมีความโลภมีความโกรธทั้งเกิดขึ้นในแต่ละขณะและ้วควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นไว้ไม่ได้จิตใจก็จะสูญเสียความสงบและถ้ายังสลัดไม่ได้ความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะเกิดขึ้นภายในจิตเป็นอันมากกรนี้บางตัวอย่างง่ายๆเช่นความเชื่อถือในเรื่อง การทำนายทายทักการนั่งทางในการเพ่งกระสินหรือการบอกกล่าวการนิมิตอะไรต่างๆที่เราถึงพวกโหรศาสตร์และทฤยศาสตร์ทั้งหลายแล้วนั่นเป็นอาการของความโรคกรดลงแต่อาการใหญ่มันก็เป็นเรื่องความหลงคราวนี้ถ้าหากว่าปัญญาบังเกิด สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบประเหตุโดยผลได้ความสงบก็จะเกิดขึ้นภายในใจแต่ว่าสากใดที่ปัญญาไม่มีกําลังมากพอจะมีใครก็ทำนายทายทักก็จะเคราะห์ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนนนแล้วใจเราไม่มั่นใจยังไม่สามารถใช้ปัญญาวิเคราะห์ตัดสินได้ความสงบใจก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นความเชื่อถึงงมงายไร้เหตุผล ปฏิบัติตนไปตามคนที่เขาบอกให้ทำจะมีการสะดอกเคราะห์อะไรต่างๆอย่างที่เชื่อถือ ก, กันจิตใจก็หายความฟุ้งซ่านเกิดความสงบขึ้นเกิดความสบายใจขึ้นมีควัมมีกำลังใจดีขึ้นบุคคลก็จะหลงมากยิ่งขึ้นว่าผลเหล่านี้เกิดขึ้นจากการสะดอกเคราะห์โดยการทำพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้น แต่ในจุดนี้เองถ้าหากว่าปัญญาเขาเกิดขึ้นมองย้อนก่อนที่ความกระตุ้มจะเกิดขึ้นภายในใจก็เนี่กว่าก่อนหน้านั้นเราก็ไม่มีอาการจิตอย่างนั้นและจิตที่แปรผันไปเช่นนั้นก็เพราะเกิดจากการทํานายไทายทักของหมอบอกว่าเราเพราะอะไรจะประสบความพิบัติสูญเสียจะถึงล้มตายแต่เป็นภัยเป็นอันตรายเป็นต้นก็แล้วแต่หมอเขาจะบอกเอา เพราะความหลงไม่เพราะความหลงไม่รู้แจ้งตามความจริงจิตใจก็ไปรับเกิดไปกําหนดว่าตัวเองจะต้องเป็นอย่างนั้นตามที่หมอบอกไว้จากขณะนั้นเป็นต้นมาความกรากรุ่มเร่าร้อนก็บังเกิดขึ้นและโดยอาศัยความเชื่อความศรัทธานในหมอพอหมอทำข้าวก็รู้สึกสบายแล้วก็ไปชื่นชมกับหมอราะความสบายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากหมอบอกหมอสะดอกเพราะให้ แต่เราลืไมไปว่าที่จริงความกระตุ่มต่างๆก็เกิดขึ้นจากหมอบอกว่าเราจะมีเคราะ ห, หมกันเพราะั้นทั้งทั้งหมดจึงเป็นเรื่องการกระทําของบุคคลอื่นเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากความขาวภายในใจของบุคคลความไม่สงบจึงเกิดขึ้นจากโมฆะที่ไม่สามารถวิเคราะห์เทียบเคียงตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริง เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานที่เก็บสะสมกิเลสไว้ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากขาดหลักของธรรมะที่ทรงแสดงไว้ตามสมควรแ ก, ก่กณนนี้นัน้นๆเช่นการกําหนดหมายสิ่งสัตว์บุคคลทั้งหลายในแง่ที่เป็นความสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ก็เกิดขึ้นจากการมองที่คลัตเคลื่อนจากความจริงหรือละเลยความจริงที่ตัวเองสัมผัสอยู่ในชีวิตประจําวันเกิดไปกําหนดหมายว่าสวยงามน่าใครน่าประทับน่าพอใจจากจุดที่เริ่มกําหนดนั่นเองความกระสรับกระส่ายก็เกิดขึ้นภายในใจความร่าร้อนก็เกิดขึ้นภายในใจคนนี้เราดูตัวอย่างในช่วงสั้นๆง่ายๆกันเล เช่นการไปเดินดูของในตลาดในห้างสรรพสินค้าต่างๆเป็นต้นมันก็เดินไปได้มีความชอบบางไม่ชอบบางเฉยๆบางแต่วัตถุใดหรือสิ่งของอันใดก็ตามที่ใจคนเกิดไปกาหนดว่าเราต้องการสิ่งนั้นเพราะอาศัยความชอบใจในสิ่งนั้นเพียงขณนะปรงใจว่าเราชอบใจในสิ่งนั้นต้องการจะซื้อสิ่งนั้น และในขณะนั้นเองมีคนคนหนึ่งเกิดชอบใจสิ่งเดียวกันมาตัดหน้าซื้อซะก่อนเราจะเกิดโทสะเกิดเสียดายเค้ดมาทันทีทำไมตั้งที่เราเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นมาตั้งหลายครั้งแล้วใจมันก็รู้สึกเฉยๆคือไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่ต่อมาทำไมจึงรู้สึกยินร้ายจึงรู้สึกไม่พอใจจึงรู้สึกเสียใจ ก็ เ, เกิดขึ้นจากใจไปกําหนดคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นครับเมื่อเราพอใจเราต้องการเราอยากได้สิ่งเหล่านั้นทั้งๆ ท, ง ท, งที่ในขณะนั้นเราจะไม่ได้ถือสิทธิ์ครอบครองเป็นการถือทางใจแต่นั่นเองการตกลงซื้อขายการจ่ายเงินยังไม่ได้เกิดขึ้นยงิงในใจเอือ้อมไปเกาะไปก่อนแล้ว ก็เกิดไม่พอใจเมื่อคนอื่นเขามาแย่งซื้อไปทั้งคนที่มาแย่งซื้อที่จริงเขาก็ไม่ได้แย่งเราไปคิดเองเขาแย่งก็เกิดพอใจขึ้นมาเหมือนกันแตัวเกิดความไม่พอใจในคนซื้ อ, อเกิดเสียดายในของที่เขาซื้อไปแต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในใจเพื่อสังเกตว่าความทุกข์นั้นได้เกิดขึ้นจาก หลังจากช่วงที่มีการกําหนดว่าเราชอบใจสิ่งเหล่านั้นแล้วคนอื่นก็ซื้อไปแต่ในช่วงที่ใจกําหนดว่าเราชอบใจสิ่งเหล่านั้นจะมีความเพลิดเพลินจะมีความยินดีจะมีความชอบใจที่ไหลไปไปในจิตอย่างต่อเ น, นื่องยิ่งทุเบียงเบนไปตอนคนอื่นเข้ามาซื้อเพราะถือวคนนั้นตัดหน้าคนนั้นเขาแย่ง ท, งทางๆที่เขาก็ไม่รู้ว่าเราชอบหรือว่าไม่ได้เจตนาที่จะแย่งอะไรแต่ประการใด คำามโสความใจใจก็บังเกิดขึ้นตรงนี้เองท่านสาธุชนจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่ากระบวนการของอริยสัจที่เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเฉพาะในช่วงนี้ก็คือทุกข็สมุทยัยมันเกิดตัณหาขึ้นภายในใจในการกำหนดอารมณ์เพราะสิ่งนั้นน่าคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราต้องการจะได้สิ่งนั้นมันก็เกิดเป็นกระแสของการาตัณหา แต่พอคนอื่นมาตัดซื้อไปก็เกิดเป็นความทุกข์ความเสียใจยทุกก็ก็บังเกิดขึ้นทำไมจะเป็นทุกข์เพราะต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามต้องการเป็นอาการของความทุกข์ที่เราสวดมนต์ธรมวัตเช้ากันเสมอนั้นแสดงว่าในขณะนั้นก็กลายเป็นอริยสัจสองข้อ คือมีทั้งสมุทัทยศัสตร์เกิดขึ้นก่อนแล้วต่อมาเมื่อไม่สมหวังก็กลายเป็นทุกข์สัตว์แต่ที่นี้สมมติว่าสมหวังเราต้องการเราปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้นแล้วก็ตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยต่างร้านก็ขอของให้เราก็พกพาของนั้นไปพอเริ่มถือครองทานด้านเองในขณะที่มีความชื่นชมยินดีเราได้ของที่เราต้องการนั้นจะมีความ หวงใยวิตกกังวลกลัวภัยกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกก่สิ่งเหล่านั้นเก็บไปไว้ที่บ้านแล้วถ้าหากว่าเป็นของมีค่าก็าาจะมีการารัคาป้องกันมีการเก็บมีการซ่อนมีการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงเพราะกลัวสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอันตรายใจเราก็เกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นด้วยความวิตกกังวลนี่คือกระบวนการทางจิตที่จะเห็นได้ว่า ความไม่สงบทั้งหลายไม่ว่าจะปรากฏออกมาในรูปลักษณะใดก็ตามเป็นอาการสะท้อนของความรู้สึกที่ท่านสรุปรวมเป็นกิเลสแต่ในระดับของสมถกรรมฐานท่านเรียกว่าเป็นนิวร น, นิวร น, นั้นเป็นอาการของกิเลสที่ไม่แรงเกินไป ไม่ถึงกับบังคับกายวาจาให้กระทําให้พูดในทางทุจริตแต่บังคับจิตให้พุ่งสั้นชัดสายไปตามอาํานาจของกิเลสประเภทนั้นๆเพราะ ก, การกําหนดว่าน่าพอใจจึงกลายเป็นความกําหนด ก, การกําหนดว่าไม่น่าพอใจจึงกลายเป็นความขัดเคืองที่ท่านเรียกว่าปฏิฆานิมิตคือมองในแง่ของความขัดเคือง กามองในแง่ของความกัดเคืองนั้นอาจจะเกิดมาจากโลภก็ได้เกิดกลัวก็ได้เกิดจากหลงก็ได้เกิดจากโลภก็อยากจากตัวอย่างที่ว่าไปแล้วคือเราต้องการสิ่งนั้นแต่คนอื่นมาดักหน้าซื้อไปเราก็เกิดความโกรธทีนี้บางทีนั้นก็อาจจะเกิดมาจากเราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นอยู่สิ่งนั้นมีสิ่งนั้นเป็นแต่บางก็เกิดอยู่เกิดมีเกิดเป็นขึ้นมา ความโกรธนั้นก็เกิดมาจากความโกรธเราไม่พอใจในสิ่งนั้นเป็นต้นเหตุแล้วในที่สุดเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาบางทีก็อาจจะเกิดมาจากความหลงไม่เข้าใจเช่นเราเดินผ่านไปแล้วก็มีคนด่า ก, กันเราเกิดเข้าใจคนด่าเราเราเกิดโกรธแต่ในช่วงนั้นแหละถ้าเกิดรู้ขึ้นมาตัดกระแสจิต มีคนก็บอกเขาไม่ได้ว่าคุณหรอกก็ด่ากันมานานแล้วพอตัวความรู้มันเกิดมันก็ตัดกระแสของความโกรธลงไปได้ใจเราก็สงบได้แล้วอาจจะหัวรอกคําขันไปก็ได้เนี่็คืออาการของจิตที่ ท, ทรงใช้คำว่ามีการกำหนดเราบงการเองเราแต่งตั้งเองสิ่งเหล่านั้นที่จริงเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ เราบงการด้วยจิตที่กำหนดความกำหนดมันก็เกิดขึ้นภายในจิตเรวก็ครอบกรรมจิตมีที่คลบังคัาไจิตแปรผันไปด้วยประการต่างๆเรากำหนดด้วยอำนาจของความขัดเคืองความขัดเคืองก็บังเกิดขึ้นเพราะในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วอารมณ์ทั้งหลายแม้จะมีลักษณะว่าวุ่นสับสนแต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องภายนอก เราสามารถที่จะป้องกันตัวเราเองไม่ให้เป็นภยัยแม่เป็นอันตรายได้ตํนนอนคล้ายๆกับเราเดินไปท่ามกลางฝนตกฝนตกก็เป็นเรื่องของฝนแต่เราเดินยังไงอย่าให้เปียกเราไปท่ามกลางแดดร้อนจัดแดดก็คือเรื่องของแดดแต่ทำยังไงเราจะไม่ร้อนมีฝุ่นมีฝุ่นมีหมอกมีควันมีละอองมีทุลีต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของสิ่งเหล่านั้น แต่เราก็อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นแต่ทำอย่างไรสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นอันตรายแก่เราครนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจน mm hmm. เช่นบ่อควันเต็มไปหมดเราก็เดินลืมตาไปลืมตาในะสิ่งเหล่านั้นควันมันก็เข้าตาหายใจเข้าไปมันก็เข้าจมูกอ้าปากเข้าไปมันก็เข้าปากหรือว่ามีแก๊สพิษที่เป็นอันตรายเราเดินเข้าไปถ้าเรามีตัวรู้อยู่กากับอยู่เราก็เดินไปได้ โดยไม่เป็นอันตรายากแกต่แก๊ผพิดเห่านั้นแต่ถ้าเดินไปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจก็สู่แก๊ผพิดเหล่า น, นั้นเข้าไปเพราะปัญหาทั้งหมดจริงๆแล้วนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลเองครนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าโจรกับโจดมาเจอกันคนที่เป็นศัตรูต่อกัน้วมาเจอกัน คนรนนั้นก็อาจจะทำอันตรายอาจจะต่อสู้อาจจะปราดประหารการอาจจะถึงล้มตายแต่ว่ามันก็ทำได้ชาติเดียวทำได้ชาติเดียวทำได้พพเดียวเท่านั้นเองพอตายไปแล้วก็จบกันแต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นไม่ใช่เรื่องธัรมดานอกจากจะให้ความทุกข์ในขณะนั้นนั้นแล้ว อาการของกิเลสอาการของความทุกข์นั้นยังเก็บสะสมไว้ภายในจิตสะสมเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายหลายปีเป็นชาติเป็นหลายๆชาติกลายเป็นประเภทของอสศวะดังที่กล่าวไว้ในตน้ตนต้นการพยายามมองให้เห็นโทษของความไม่สงบและพยายามสืบสาวไปหาต้นเหตุที่ให้เกิดความสงบ โดยมีการตรวจสอบวิเคราะห์ตามลักษณะของอริยสัจทั้ง4ี่ประการเดี๋ตั้งปัญหาถามใจตัวเองเวลาเกิดความไม่สงบขึ้นมาว่าอะไรก็ตอบว่าเป็นความไม่สงบสืบสาวดูว่าความไม่สงบตรงนี้เมื่อก่อนมันไม่เกิดแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดเพราะงั้นความไม่สงบนี้มาจากไหนการสืบสาวดันพึงสังเกตว่าความไม่สงบเกิดขึ้นที่ใจเราเพราะงั้นสาเหตุก็ต้องมาจากใจเรา แต่ว่าอยู่ตรงไหนสืบสาวไปให้เจอแล้วกำหนดเป้าหมายที่จะขจัดปัญหาคือความไม่สงบตรง น, นั้นให้กลายเป็นความสงบจากนั้นก็ศึกษาวิธีการว่าจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติโดยวิธีใดซึ่งหลักการเหล่านี้ถ้าพูดถึงแนวของกรรมฐานจริงๆถ้าก็อาศัยบทภาวนาเพียงอย่างเดียว จะบทําทใจใส ง, งบอยู่กับอารมณ์ที่ตั้งใจกำหนดระลึกในขณะนั้นนั้นและตัวความส ง, งบที่บุคคลสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยเหตุคือความเพียรสติสมัจัญะเป็นตัวสร้างขึ้นมานั้นเมื่อปริมาณของความส ง, งบเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเหมือนกับปริมาณของความเจ็นที่เพิ่มขึ้นก็จะกระจัดความร้อนไป ปริมาณของแสงสว่างที่เพิ่มขึ้นก็ขจัดความมืดไปจากนั้นความไม่สงบก็จะค่อยๆน้อยลงความสงบก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถึงจุดหนึ่งก็จะสามารถรักษาความสงบไว้ภายในจิตในช่วงสั้นบ้างในช่วงยาวบ้างปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่การสามารถให้จิตสัมผัสความสงบได้แม้เพียงเล็กน้อยก่อน ตำนองใกล้ๆกันชิมอาหารที่มีรสอร่อยคือต้องชิมซะก่อนขั้นตอนต่อไปจึงจะเกิดขึ้นมาได้มีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ารสอะไรเป็นรสที่ประเสริฐที่สุดรสอะไรชนะรสทั้งปวงพูเจ้ารับสั่งว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง เพราะไรเพราว่ารถแห่งธรรมนั้นนอกจากจะให้ผลเป็นความปราศจากเวรปราศจากภัยปราศจากอันตรายแล้วยังให้ผลเป็นความส ง, งบจากอำนาจของขีตยังให้ผลเป็นความสุข ก, กายสบายจิตยังให้ผลชี้สิ่งอื่นไม่อาจให้ได้ที่เรียกว่าผลเป็นอมาตะคือทําให้ผู้รับผลของธรรมะไม่ต้องตาย เพราะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายในโอกาสต่อไปแต่ผลของธรรมานั้นจําเป็นจะต้องลิ้มจําเป็นจะต้องชิมจําเป็นจะต้องสัมผัสด้วยใจตํานองสัมผัสรสอาหารด้วยลิ้นหรือสัมผัส ร, รูปที่สวยๆด้วยตาเคยเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนฉะนั้นจะดูรูปถ่ายไปก่อนหรือแม้แต่บางทีก็จินตนาการเอา มีการเล่าถึงความสวยงามของสถานที่บางแห่งจิตใจเราก็เห็นตามคล้อยตามเกิดจินตนาการ ต, ตามไปและในที่สุดก็จะพยายามไปดูในสถานที่นั้นด้วยตาของตัวเองเรื่องอาหารที่เราทดลองชิมก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นเช่นเดียวกับผลของธรรมะที่จะต้องพยายามปฏิบัติสัมผัสให้ด้ อาจจะทดลองดูตัวอย่างว่าบางครั้งเราเกิดไม่พอใจใครขึ้นมาแล้วก็เก็บความโกรธเหล่านั้นเอาไว้ตั้งนานตอนนี้ก็มาวินิจฉัยตัวความโกรธก็เกิดเกิดปุ๊บขึ้นมาก็บอกว่าอะไรคือความโกรธมาจากไหนแล้วก็สืบสาวถึงต้นเหตุที่มาแล้วก็ดับต้นเหตุเ ห, เหล่านั้นให้ได้ก็จะเห็นว่าความสบายนั้นได้เพิ่มขึ้นในเวลาที่เร็วกว่าเดิม แ้าพยายามฝึกปรือยอย่างนี้เรื่อยๆโด ย, โดยลำดับโดยอาศัยมีสติสัมปชัญญะความเพียรกำกับจิตใจอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเมื่อได้ลิ้มได้ชิมรสของธรรมะคือความสุขความสงบในระดับใดก็ต่างฉันทาอุตสาหะที่จะสัมผัสผลลึกซึ้งขึ้นไปก็จะเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลโ่ดนั้นกำลังแห่งสติสัมปชัญญะความเพียรซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วก็จะมีมากยิ่งขึ้น ทำนองอะไรทํานองคล้ายๆกับเราเดินทางไปเพื่อไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการปรารถนาแต่เห็นได้ได้ซีมาเป็นต้นแล้วในตอนก่อนมันอาจจะเดินธรรมดาธรรมดาแต่พอใกล้เข้ามาก็จะรีบเร่งเดินจนถึงก็อาจจะวิ่งก็ได้นั่นคือเป็นอาการทางกายที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา พ้นธรรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะจากนั้นพอเกิดสัมผัสผลนั้นจะมีความกระตือรือร้นจะมีความเร่งรัดเพื่อสัมผัสผลที่ลึกซึ้งขึ้นไปเพราะว่าในท่ามกลางผลแห่งธรรมะที่ตนได้สัมผัสนั้นเองก็จะเกิดความตื่นขึ้นด้วยอำนาจของสติที่เป็นธรรมะทําให้จิตใจของบุคคลตื่นตัวมองเห็นชีวิตเอของไม่เที่ยงแท้แน่นอน มองเห็นผลเหล่านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคอยคว้าปรารถนาเข้ามาครอบครองให้ได้ในสุดความขวนขวายความรีบเร่งความเพียรพยายามเพื่อจะสำผลสัมผัสผลที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็จะบังเกิดขึ้นและด้วยผลของความเพียรพยายามนั้นไม่ว่าจะเป็นการความเป็นความเพียรพยายามโดยใครก็ตาม ถ้าเป็นความพยายามในทางที่ชอบแล้วก็จะก่อให้เกิดผลเป็นความสุขความสงบขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจงความสงบสึกต่อไป